พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่สามเสขะปฏิปทาสูตรสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติของพระเสขะพระผู้มีพระภาคประทับนานิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัทแขวนสักกะสมัยนั้นเจ้าสักยะชาวกรุงกบิลพัทให้สร้างสันทาคารคือโรงโถงหรือโรงประชุมขึ้นใหม่ ยังไม่มีใครได้ใช้จึงนิมนต์พระผู้มีพระภาคให้ทรงใช้ก่อนพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพแล้วเสด็จไปเมื่อเขากล่าบทูลเวลาเมื่อเสด็จถึงจึงประทับ พ, พิงเสากลางภิกษุทรงนั่งพิงฝาด้านตะวันตกเจ้าสักยะชาวกรุงกบิลพัททรงพิงฝาด้านตะวันออก พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมจนดึกแล้วตรัสสั่งให้พระอานนท์แสดงเสขปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติของพระเสขะผู้ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลผู้ยังศึกษายัางไม่บรรลุ ถ, ถึงพระอาหารหันต์ส่วนพระองค์ทรงพักผ่อนสำเร็จสีหาสยยาหรือการนอนตะแคงขวาที่คนไทยทั่วไปรู้จักในท่าสีหาสยญาตนะครับ พระอานต์จึงเรียกมหานามสักยะเข้าใจว่าจะเป็นประธานอยู่ในคณะเจ้าสักยะกล่าวถึงการที่พระอริยาสาวกสมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายรู้ประมาณในการบริโภคประกอบหนึ่งเนืองซึ่งธรรมะเป็นเครื่องตื่นคือไม่เห็นแก่นอนประกอบด้วยสัจธรรมเจ็อย่าง คือศรัทธาอิริโอต ป, ปะพาหุสัจจะหรือสดับตรับฟังมากลงมือทำความเพียรสติและปัญญาได้ฌานสี่อันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามต้องการแล้วอธิบายขยายความเป็นข้อข้อไปครั้นแล้วได้สรุปว่าอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยคุณธรรมดังกล่าวมาแล้วก็ควรจะตรัสรู้ได้ เปรียบเหมือนแม่ไก่กกไข่ดีแม้ไม่ต้องปรารถนาให้ไข่เป็นตัวออกมาโดยสวัสดีก็คงจะออกมาได้โดยสวัสดีแล้วแสดงการได้ปลุกเพนิวาสานุสติยานคือยานอันระลึกชาติได้จุตูปปาตายานยานอันเห็นความตายความเกิดและอาสวัขยายานคือยานอันทาอาสวะให้สิ้น ท่านแสดงการได้ยานทั้งสามนี้ว่าเปรียบเหมือนลูกไก่ทำลายกระเปาะไข่ออกจากไข่เป็นขั้นๆสามขั้นด้วยกันแล้วได้สรุปอีกตอนหนึ่งว่าคุณธรรมที่กล่าวข้างต้นเป็นจรณะหรือความประพฤติแต่ละอย่างของอริยาสาวกนั้นส่วนยานทั้งสามมีปุเพนิวาสานุสติยานเป็นต้นก็เป็นวิชา คือความรู้แต่ละอย่างของอริยะสาวกนั้นอริยะสาวกนี้จึงเรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาก็ได้ผู้สมบูรณ์ด้วยจรณะก็ได้ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะคือความรู้และความประพฤติก็ได้แล้วได้อ้างภาษิตของสนังกุมารพรหมที่ว่า กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้ถือโคดแต่ผู้ใดสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์พระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นประทานสาธุการในพระธรรมเทศานานี้ของพระอานนท์